้ังละพตังตุสปุพังดุจยี่ยอมได้ปัญญาปัญญาเกิดจากการตอนที่ว่าสุดตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากกามพกเขี้ยวย่อยในสิงที่ยินได้ฟังมาเรียกว่ากินตมะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนา เปยันรู่ให้สำลักในการใช้ชีวิตร่า ก, กายวาจาใจอาผูธนุ่มที่ยิ่งเสียจะหมงไปิีนดี้งไดยรถใของผัดให้หรู้จิติการอยู่ความสุขการเสืนอมไหวจุดนาให้หรี้จิติเรีกว่าควาวนายักยังจา แต่การัฏิญาณเชื่อจาชนญาให้พ็มุงความหลงเข้า่าครอบงำดมวยปีศาจของเราถ้ามันสืบไปจนจะใชความคิดจะโำได้มุ่งตาเห็นโลกเป็น ไม่อยู day, ่เรื่องกับมาชอบมองหัวเรามองดูเงินเหรียญออกมามองหัวาโฉมกระด้เกิดความนกนเกิดเศตัวนอกตัวอาเการจะกษาเอาเป็จารพยศผล ขบเที่ยวเอาจากตัวเานี้ยก็รู้สึกด้ที่ว่ามันเ็นประโยนจึงเราต้องนควาสอศลจนกิดอสที่ตุกติกาตัดไว้ดี ว่าคิดก็เป็นคิดว่ารู้ก็เป็นทูกรู้ก็เป็นรู้จนเกิดกับเรานึ่ง่อมาเป็นแต่ที่ทำในชีวิตใ้ดีให้ือด้วยความชอบสิ่ ง, งที่ตัองไม่ชอบก็สฏิภาสหลายอย่าง อาตั้งใจชอบก็ถูกต้องหลายอย่างแล้วก็มีจิตมีใจมีกาหรือเร า, าจะโทกทำจะนามทาทำดีมาทำเชื่อได้รูกนี่นามอี่ถ้าเราไม่ได้ใจัดใช้มันมก็สมาระการให้จิตพษาดหลงเสีสเยหรือประโยชน์ จะได้จากพวกจักรงพวกเอพวกเธอนังเป็ลูกพอถึงเธอเข้าภาคก็ได้ว่าจะเอาเธอมาเปิดวา e ถวาไม่เียหาใช่ไหมถึงเสีหา่ไหมถึง็ได้ประโยชน์แต่ถึงต้องใช่ไมถึต้องถูกโทษใช่ไหมตึ ก็เป็นก็เป็นปยชน์ถึมากถึงสปัจจุบันรวมถึงต้นจากที่สิ่งศักดิ์ในโนี่พเรามีวิชากรรมศาสตร์ให้เป็นนักกรรมศาสตร์ ทำเอาก็เป็นกรรมฐานที่ตั้งของการทีันใลเงแป็นรรมานใส่ใจลูกตเอากเ็นะกับเกรมานใสใจลูกตายถ้าจะตื่นต้นหลับเป็นกรรฐานทั้งหมดจะให้อื่นมาฟองพื้นดาักเพลิแน่ยามดีเสมอ ตอ่อตัชวชิ้นต่างๆต่อถูกต้องจริงที่แะ่ละสูตราหารตลงสูตของธรรมทานนิ้วกระบวนสธานตีกระบวนสูตรธรรมทาน อ, อาฆัตกระบวนสูตรรรมทาปวดกระตือเรันแล้วสวีดีดูแลถึม้ะละเอยดเจาะก็ยังละเอียดเจาะก็ถือว่าเป็นธรรมทานทั้งหมด ก็บ้านกรรมฐาแม่ว้านกรรมฐาลูกสาวลูกชายกันนักกรรมฐานลูกหลานเกิดกรมถาพราบอกกรรมฐานกันที่ขีดชี่จูก็ไม่ดวจะดึิดกันด้วยจุดถูกกไมมีประโยชน์อะีวตของเรานี่มาากนักกรรานกันจนที่เดอดร้ เราให้พุ่มดูแลการใจใหุ้่กรรมฐานเป็นสิ่งที่ดูแลให้ยอดปลอดใจใช่สิงใช่ของก็เป็นระเบียบเรียบร้อยส้านนะักกรรมฐานให้ใจใช่ใก็เป็นระเบียบเรียบร้ยอยสิ่งอื่นก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นประโยชน์ข้าพกรรมฐานมีแตประโยชน์เฉยๆติจากกรรมฐานสิ่ไหนที่ทำลงไปเป็นประโยชน์ต่างหาก ถ้ามัยชนะกรรมฐานก็คือ่จาทุกจทุกข์สเชียประโยชน์พอสังขารล่างสายของเรานี no ่ยมาไม่เลี่ยกอยู่แล้วลังเจะทุกอันโศนก็ให้ตายลงโทษให้เสียลงโทษตัวเองชิดจะกัดต่อตองให้เจ็บปวดชิดชีวิตเป็นบางคนไม่ฉุดหนักหรือจชิดล้า คือชีวภาพจะม่หัใจคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีเขาชอบคนนั้นเราไม่ชอบคนนี้ตัวตนตนพบตัวตนตนควบคุมกันเลยเอาตัวตนตนไปเก็บไปกำหนดสิ่งนั้นสิ่นี้เราดีกัวเขาเขาดีกับเราเราสมเอ๋อเขาเขาสมเอเรา ติดต like ัวตนตัวตนแบบนี้จะนี่จะเกิดจบการที่นอาจสวรริพั์ไม่ได้ติตัวติตัวตัวเปนตนีวางกั้มรรคนานักธรรมารเขาตู้จับตัวตัวเองให้ดีท่านันุ่มทแล้วไปที่นั้นเลดีกว่นแล้วไป ตไหนที่จริงไหนดีให้มันเกิดขึ้นมาทําะไรมันแล้วงอกตาโผล่ก้อนว่แล้วมก็โตวันโตคขวนขึ้นมาตอดํานาเสร็จแล้วข้าวนาก็งามขึ้นมาเปิดตอกตอกขนทำวัตถุที่ได้เกิดมัแล้วก็าะอาศัยได้ สา้างลาแล้วก็าส่ได้สร้างกรดีแล้วก็ใส่ได้สร้างบ้านสร้างเดือนแล้วกออ็ใายได้ชอบสีนี่หวันคุดสมให้ดีขึ้นมาก็ใสยได้ทำได้ลแล้วทำไดแล้วทำได้แล้วสีที่มันเกิดกับกายอะไรถ้าทำได้แล้วมันเกิดหน้าเกิดผลถ้าทำไม่ได้มันก็เป็นปัญหา ดำนีดำไรอยู <you> ่หลงแน้วหลงีย no. right, ังไมแล้วเพนไม่แล้วทำไม่ได้แล้วทุกเร้าทุกทีกดเร้าดีดีใจ้วดีอีเย้าเสียใอีอ้วพอเยนวัตไม่แล้วเรื่องไหนทาแล้วแล้วก็เลย ปูกข้าแล้วก็ได้ดอกได้ผลได้ดูได้กินมาเป็นเรือดเป็นเนื้อเป็นช็อตนี่จะว่าถึงต้นพืชนอกเขาทำแล้วก็ได้ประโยชน์โดยชีพนั้นทุกไทยในตัวเราเนี่ยแตแล้วก็เป็นประโยชน์ลาจะเจอหนุ่มสาวจะได้ช่วยประยชนเกันนั่นนะ จะพยมอยากนต๊วเฉพาะพวกเรามาอยู่วัดกลางก็ยิ่งเป็นหน้าที่โดยตรงให้ทํามยากง่ายให้ทําประโยชน์ตนประโยชน์ประโยชน์สู่โประโยชน์เจอต้องพุทธศามาเพื่อทําให้เกิดเป็นธรรมอันสอดคล้องกัน ต้องชี้ชวนตัวเพื่อทำความสัเร็จเป็นนักกรรมาให้สม okay, บูรณ์แบบอาเจะให้หวันว่นละหวั่นในตอนเราฝิดเพื่อนธรรจะทำให้เพื่อนของเราเป็นสาระปัญหาแต่จะต้องให้ชี้เป็นนักกรรมฐาเนเต็มที่อย่างเป็มตั์ ให้นัวใจด้วยการคิดว่าเป็นครอบครัวเดียวกันจิดญาติการตว่าทำมัธยฐาน้าติทำด้วยกันทำความดีด้วยกันพูดดีคิดดีโดยการเป็นก้าวเชิกันไม่ใช่ทั้ที่ไหนเพื่อนแตเพืยอนกัตายด้วยกันถืกตุ้ใจกัน ว่าเป็นนักกรรมฐานมองแต่ความดีมองแต่เม็ดเหมืนเสือก็เป็นเม็กับเสือเป็ดงูก็เป็นเมกับงูเป็ดช้าก็เป็นเมตดกับชา้าด้วยความม่้สึกลิกๆเดืออร่อก็เป็นเม็ดกับทุกข์ยากเมื่อเป็นเิ็ดแล้วมนก็ต้องห้อยไม่ทลนลอยต่อมันสมรู้ร่วม เกวียตาจะก็โตสมัยริกิไปกว่าเห็นเสือเจอเือ เ, เพราะจู่วิธีการทำลายกยารเสืงทำไม่ทำลายเสยงก็ไม่ทำลายการงูก็ไม่ทำลายการอะไรก็ไม่ทำลายกันแ ม, ม, นมน้แต่ต้นไว้ต้นเดได้กระถิอ น, นเป็นรูปเป็นหลามที่มอก็ถือว่วเป็นตัวน้อง อ, นอกนะเพืเ่อนสนิทใหญ่กวเราเพื่อ น, นต้าูปูยาาอดายาอาขาก็เนมิจาจักจะเป็นไข้อยู่นในฝาในตรงคันอนน้อนหนาวหนาวแก็นตัวถือว่าเป็นเพื่อนการกับสิ่งแวล้อมกว่ากันทิ้งตัวลงส่อไม่ไม่จะดุง้งไม่เฉยหัวไม่ังว น, น, นเห็นคนเห็นไข้ ถ้าว่าร่วมกายก็ใช่มากระเดียแล้วก็ถึงกับเกลือกธรรมชาติมองสงอะไรอย่างเงี้ยหนาวคนันเนาก็มัเคยถูกความก็ว่ลงไปกกด้ว่าน้ำธรรมชิดเียน เราต้องไปมีสิทธิ์่ก็้วงช่ยกันดวยกคุ้มครองค่ะคุ้มครองสัตว์คุ้มคองสัตว์ปคุ้มครองสัตว์น้ำคุ้มคองป่าไม้คุ้มครองเป็นท่าอากาศก็้งหมดแต่มีแค่แค่ต่างกันไม่รู้ว่าข้าพเจ้าาา สินตาเสกดาเช่นวางตรงนี้ลงข้อตัวเขียนไปอยู่ด้วยกันมาสมัยก่อนแต่กันนี้ประโยชน์วนจกลัมามาป่วยที่เห็นกันอาจะว่าเคยอยู่ด้วยกันเห็นแต่ก็ติดติดกันวยกันไอ้วกเราที่ก็ตายเราก็เกิดจบยาพอจะพร้อมสองราเขาเรียกต่อ ทำแม่ไปช่วยถึงที่สุดเหมดชีวิตเลยต่ทำาตามความสามารถาต่เป็นสิ่งที่สีไม่เลยเสี่ยเนาะเป็นมองกันเป็นเพื่อนกันการละยานะทําปริยนามิจเจ้าทําำไม่มีใครที่ไหนที่ไหนที่จะเท่า ตอนเขียนต่าในความรู้สึว่าที่นี่มีแต่ยาตไม่มีใครเกิดมามีแต่ญาติที่สิ่งใดพบกันพบกันเสอรู้สึกว่าเป็นญาติมาก่อนไม่ช่วยเรียกว่าคนเกิดมาความรู้สึกของอราภาพเป็นญาต่าอบ ที่น pues ja ี je, eso, ่ไม่เคยเสียการไม่เคยยากจต้องได้พบกันแต่ไม่เจอเล็กิงชิงเวลาก็เบี่ยงตาไปคิดจะช่วยเหลือกันจบเพื่อกาจบเพื่อการแม้แต่เจ้าก็ยังาดไปผู้ใดให้บานทุกสุขใหผู้นั้นคือให้บานเราตัเดียวเรา ผู้ใดที่เล่าที่จะอาภพที่จะล้มพ่าพยเชื่อนี้จะสรางศพกับเชื่อช่วยให้เราตถาคตหัวใจเป็นแสงในตะลังเทียนตวายาทางธรรมตัณหานวัตถุญาทางธรรมมาเกิดซึ่งกับลกูกชีวิต ก็จะเป็นมิตรภาพาเปรี้ยแต่เป็นรอบหน้าของสายศาสตร์พระศีรอะใหญ่ก็เกิดขึ้นมาต่ข้อผลปฏิวัติตามทําปฏิวัติตามําที่เจ้าสอนเนี่ยเกิดแท้ๆเกิดพระสีาษะใหใ่ขึ้นมาในลักษณะของว่าเจ้าห้าโวงคูสันโธของที่หนโพนาร์พนมโน องค์ o จ้ากัจจป o ้องค์เจ้าก็นาคโนองค์เจ้าคืออริยมรรตาย ka งค o อฮะใช การทำนานรร่สวดที่เราจะลูกศิษตัวที่จะมาลูกศิษยวาการทาก็เลือกสามิธรรมทานญาติสามชิตไโดย่ก่อนนั่นแลงรักเทียบดิรักบัคชินชารังึกว่าพอใจไม่พอใจต้องพอใจคงไม่พอใจยังเบบ บางทีกสับสนเออจูเล่าก็คุณจะล่ามาต่อาษาคเาพอจพอจเขสาใจกันเนาะการปกครตลอดาจนถึงเ็ค่าแต่แค่เข้มมีคนไม่ใส่สุขภาบ้ากันกัน แน่ต า, าไม่ดูเลยน่เล ย, ยมือนนีไปร้างเย็นเลยว่าไม่เด้จับปสมบัติแต่ก็ไหนคิดได้จับปสมบัตรรริมูอัตอนชิปแบบนั้นมีในโลกในคนแบบนี้เอาอดีตมากำหนดชีวิตเรา าการได้เอาคามเสียมากาหนดเพื่อให้เกิดความแตะแฉมีเสือดมาแล้วเนี่ยตายบ้าไป็เราต้องไปดูเลยลูกจะเพ่งไงไได้เลยนี้ว่าขนาดนั้นชีวิตจะตั้งไว้ิดสุดจะตั้งไู้ดไม่เกิดนักธรรมาสตคิดคิกอนนะ ไม่เคยมีตาควาดีในน้วยใจหรือไม่ต่อ้าต่อเลนชีวิตจีงคือสวมชั่วชิดไม่เป็มชิดีไม่เต็นครับดีไม่เป็มตู้ดีไม่แต่ผู้เกิดเก้าชั่วไปหมดเลยไม่เคยเอาชื่อเพราถูกมาเป็นผิดเป็นต่อไม่มีคนไม่มีปุโรหคน เอาตัวเองมากำหนดบุญคุณสูงเหนือไปเลยมองกันอยมันสำคัญคนในโลกทั่วแม่กัวอากีเป็นคนที่สำคัญในโลกเป็นมิตรอย่าตีโน้กให้ทำดีต่อกันที่จริงใจกันคนไหนที่ที่สำคัญตัวตนเอง คนใกล้ชิด s t าทำความดีคนที่อยู่ด้วยกัอะไรที่อยู่ใกล้ิดเราขอจุดจนคนดีเกิด h e ้นได้ไหมครอาวัชนาจะ่เหนก้าไม่เห็นกนรณีก็พลาดไปแล้วเ ม, มือถ่นจัดไปก็เฉลี่ยใจชาวที่อยู่้วยกันทำความดไม่เกินและกาสอตอัาตวเ ไม่มีความดีที่จะวา l เหนือหนึ่งเป็นชีวิตของตนเสีก่นจนจนต่อที่เราจนหมดช่องเติมลงไปบาต้องรับตามชานลงไปตาย a ปก็เป็นทุกข์ลงสุดระดักเราทาดีเสียแล้ว แล้วก็สตาร์ทที่าทมามันลอยความดีเราเมื่อไรทำบาปทำกรรมร้ายไครทำอะไรเดียด้องใคทำเสีเดือไม่เียใจใคแล้วคมดีเราก็ไปทำบอกความดีของผู้เสียชื่อเสียตนไปทหมดทุกอย่างที่เป็นดี ทั้งแก่ตัวเองทั้งแก่คนเดียวกันแก่ได้ดูแลโลกแผ่นนี้โลกใบนี้สุดความสามารถวามทำที่ตึงมันก็จะมันก็มันก็มีความคุ้มอกคุ้มใจการพิจารณาชดก็ะเป็นความสุขเราจะได e ร f ้ว t าเรื่องควาสุขเป็่างไร เคยหมวมาถอดเคยเส้นเลาไม่เคยกินเคยชูกูดีไม่เคยกินเคยกิยยของดุงี่ไม่เคยกย น, นกออกยาพี่น้องเคยเป็นอย่างนี้ไม่เคยมีไม่สักข้าเขียนม่ไดจับได้ยาชงยาอ๋อมันเตลี่ยนก่อนได้การชดชดที่ไม่สิดพลาดแล้วก็ตัวอย่างนั้น แต่ยังใช่เด็กลูกวาาพวกมาเี็กเราเราเมื่อวีลูกปีเนี่ยมาแล้วใหญ่โตมาแล้วเคยเป็นเด็กมานะ้วเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวมานะ้วเคยเป็นพ่คนแม่คนมาเ้างอคยเป็ น, ปนสิ่งนอกครอบครัว จนมาถึงวันนี้ก็ยังไม่ตั้งซ้นทะกลายมาขอให้ทั้งซ้อนปิ น, นาจทีนี้อั้งต้นเมีนุนี้จะเศ้ากลายมาทำควานดีนลบเลือนลืมเสือดูด่างเข้าลืมเสือเยียวยาหลงลืมเสืเอเราวันที่ใส่กบมารู้เสื มันต้องในคนเคยใช้ชีวิตที่ติเพื่อพักมาแล้วเพิามา่ม ม, มาเราก็ย่อใช่ไ้วกมาลูกจุตัวเร้่องมันหลงมากแต่ะลูบมากอุ้ยี้เหล็กตั้งหนามาก็จะลูบมากมันฉายมาให้เราเหเราก็กลับมาลูบอ่ะเรีอยอน้อยเป็นตโดยกรรมฐานทเรียนเลยก็ ตัวเรากับลกตัวเราจะอะไรนไปเป็นชองแข็งวดต่อเป็นกรรมฐาล่าตัวเอ็นกรรมฐานจิตอานเป็นกรรมฐานให้มันชัางเขียนแน่นจงจะเห็นแก้รถแต่ช่างทุกควันที่มีแต่พิษแต่ขั เ, เื่ออยู่ ก, ก้อนเยนก้านใช้ไม่ใช อ, อากาศเป็นผ้า อ, อากาศต้องแต่นกักนกรรมฐานจิงจะอยู่รอ ใช้เครื่องสูบก็ชัดเจนแน่ น, น อ, อ, อนเลยดีจินตนาการดีรักสุดขั้วเด็กขาดกับจินตนาการอย่าไปอ่อยเด็กขาดกับคนชีวิตเด็กขาดกันเลยชีวิตตอนนีมม้อะไรไม่ได้แค่เด็กขาดสนับมั่งกนอยากสงับมั่งกน เกิดข้ไม่สมนุมาเป็นสมนูเกิดข้อลป็นควาทุกข์มาเป็นคโล่ได้กันตี่นหอ เ, เอาควงดีด้วยใจทำได้กันตีความ ท, าทได้ให้ผลได้ไม่ต้องหอความใจออว่าทำเป็นเป็นเป็นการกระทำสิ่งที่คนทานใจประเส ไม่เหมือนทำมันเลยหาเท็จอะไรมามาเปลี่ยนกันลูกใคร จ, จ, จ, จะซื้อใจนี่หรอน็มีพลัง ม, กมากกระโดดใอบ้าไส่ลิ้แต่เตียงได้ชกับแล้วกชั่วการหาย้าในความังในธมชาเหมือนตุ่ไข้ ม, มา เป็นโจรร้อยฆ่าคนเก้ารอยเก้าสเก้า่ว่าก็เลืความดีอยู่ที่นั่อน่าเป็นจ้าไว้โดยจากคนฆ่าที่ตาแม่ตาตาขจนวค์พระจีวรนี่เราโยชโยชองค์พีมานเป็นนักปเชที่ แต่ทูตเจ้าเจ้าชายศิษย์ชายก็เป็นนักวิชาการได้ต่อจากเดิมศาสตร์เดิมชาวว่าชาศิษย์ศิษย์ศาสตร์เปลี่ยนชกต์วิหลียยิงได้หควงดาสีมาเสกศาสตร์ัฒนาขี่อาสาเมเิา ก็ตองวิ่งจริงองคุณม้าวิ่งอะไรนะยุดยุดเจ้าล้อหยุดแล้วหยุดลอยนี่หยุดหยุดทำเบาทำกลมเฮยังไม่หยุดยังถืดรอปแล้วนล้อหยุดแล้วล้อหยุดแล้วเฮยังไม่หยุดยุดยุดเขาหยุดแล้วเฮยังไม่หยุดจะองคมาต คนที่มีพลางอุกกมบาถามากไม่ใช่ขนาดนั้นโอ้หยวจอะไรหยุดทำไมจิหยุดทำเชื่อโอ้ชุดอะไราอ้รอทำเชื่อเรื่อยๆถือรอโอ้ไม่เคยได้ยินกับผู้ใหญ่นี้นะหินดาเสียงจ่าโอ้ฉันฟังนี่ไม่เคยได้ยินกับผู้ใหี่เลย จะเป็นใครเนาหรือว่าเป็นที่เจ้ถาออกหวดลูกพระเจ้าสุโตสนะจะเป็นรงน์นี่หรม้าให้เป็นพระเจ้าไม่เคยได้ยินกับผู้ในญ่เลยเออเป็นว่นึจตาฟองอ้อมลองล่อให้เสือใจตามตีเลยทิศล็อกกันติดเรียกวกับโดดออกนอกอะไรใส่ฆ่าคนมา้าวว่ายเข้าไปโต๊ะ ถ้าคุ่เสนมมัูนลายเลี้ยงลูกเนลเอาลูกเป็นล i ยมันจวามดไม่เห็นอะไริกในตัวนี้บางทีเราผิดพลาดกับจิตใจกับการกับวงนองกับการู้จิตกับการรู้จิอะไรที่เราเิดขึ้นไ เีินจุดอ่ะแต่าเจ้ามนเด็กต้จเขียนสิเจ้าคนนีงการมการนี่กเออเหมือนปวดก็คิดได้เคลื่อนไหวได้ยืนเดินนั่งนอนแต่แกนี่เาริงกันมั้ยไหวไหมล่ะทำได้ทำไดไม่ฉีชาติฉีดมาละมันเกิดจากคอามคิดกันอาการเฉย่เหตหนักสถาการณ์เท่านั้ เลือกจุดตัววนจุดเลือกลงไล้วเลือกตังนั้อจุตัวมากขึ้นจูกันก่อนถวันอ่อนใจ e ันหนึ่งทีอร้องก็มาต่อยิ่งใหญตัวขึ้นถ้าทางองอบ้านเอวอยากไปนั่งหลังกดหลังนอนหน้าอ r ใบ a น้ cooker, าต้นคอหั ut ut <ays> วใจว่า ลักษณะวาใจให้ดีต้องนจไม่ลันแล่วอ่ อ, อ, อนแอใจยจใจอ่จอนอ่องอะไรจะทำไม่ได้อะไรจะทำไม่ได้ไไไดยาแต่ น, นี้ดีอันนี้ไม่ดีอานนี้ง่ายดีอันนี้ไม่ได้ทำไม่ได้คนอ่อนแอถ้อว่าอ่อนแอทำนั้นจังเลยต้องชื่นใจ ส, ส, สิ่งสิ่งทีทำให้ชื่น ใช่จเป็นยาโดยพรวิชากรรมฐาเป็นพลังองิตออกกาลังทางจิตรวด้วยจิตัวจิกตก็จะใต้พลังกันหมดรู้จิตตัวตลอดความพอหลังแหความจิตก็จะใม่มากเป็นบางเพราะความรู้จิตตัวงปนนามารรมจิตก็เปนามารรมมันรู้อะไรได้วิญญาณฆ่าสืา่อความรู้อะไรไดใช้วงรู้ที่มัน จนกรรมฐานทุกข์ก็รู้ลมลมลมวิญญาณธาตุธาตุกลิ่นธ า, าตุน้ำธาตุไฟอากาศธาตุช่อมากในใ น, ในกายวิญญาณธ า, า, า, าตุตัควรู้เลยจ้ะประวัติสร้างจิตรู้มันเคยถูกมารู้จักขวที่ยิบทุกข์ที่นาคาานีกรรมฐานู้ทุกนาีรูทุกนาคี เปัวจักรู้เป็นตจักรหนุ่มวิญญาณข้าจะเลือ่อนจะเลื่ขึ้นราหาอาหารหาจิตวิญาณให้อาหาลูเ้เขไปก็ไดอให้อาหารแทนวิญญาณขาพวหลงม่เนีย่าชาเชนนเ่นละออนออาภัตไก็ได้ควาหลงเป็นใหญ่ไปเลยวมรูมอาเจนลวเรียวว่าตายทั้งสน ส่วงกันมากผลไม้สะอาดเอาจึงมาทอาหารวิญญาณธา้อาหารอาหารายอ้วนใจหวานไข่อ้ร่นตาสูงช่างขายบ่ไมีฆ่าอาหารจะอาหารกายไล่คำหมดราคาอาหารจะอาหารกายไล่คำก็หมดราคา่าเจะิความปุจิตอาหารใจเปิว่าสมณะลูกศิษ ลูกติดตัวถองเอาำมาเพื่อทกหนี้ลูกเพื่อให้การถนี้มือก็เคลื่อนไว้กับลูกวันถึงเอมันนัก็ทำเจอแ้วนั่กวาวันม่วาดมาให้เด็กมาให้ทาส่วนที่ไม่ใช่กรรมส่วนชั่วแต่เป็นมารเปิดเอากายเอาใจมาเปิดเอาลูกวัาน้ำมาเปิด ตำให้ลูกในน้ำที่ได้มาจากกำเนิดเกิดมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่ให้ลูกในน้ำ ม, มาให้มาทําความไดีพ่อแม่อาจจะทําม่ได้แต่ลูกสาวลูกชายต้องทําได้ไม่ใช่ออกมาทำอย่าอื่นต้อมาหนีลูกในน้ำ ม, มันไม่หีมากเกินไอต่อยอดไนปะมาหลงมาดีเลยมาหลงให้เป็นลูกต่อยอดไป มาทุข์ทนปูต่อยอดาโสาต่อยอดไปมาอยอดชีวิหม่ยอดมาต่อยอดกลุ่มห่มาเลยนะ้งัอบอ้อมอวิมตและพนก้นนเิน ย, ดดยน ล, กก เ, ล, นนนยลเกิ นี่น e สัยเดี๋ยวนี้นิสเดวนี้โอยเป็นนิสัยเป็น t s สั r ที่จะชอบดูเด็กปักใจที่ทางทำอยู่แน่นิัยชัดเจนทำอยู่นี้หัดอยู่นี้เอาเอาไว้ใจไหนใส่ไว้ด้วยตัวจักรกัจจ์จำเถอะจำแนศจำมโนวัตถีโก กรรเป็นส <necessary. S 2> so ิ <speaking> ่งกรามศัตดูกรรดีก็กรรม้อก็ด้อมีกรมนของของัวกเาจะทรรดีจะดีจะด้อยจาด้อวเราจะต่องรับผิจากของราของเราจา่านั้นอาสากาวาการละอีที่เราจะท่องทาให้ดีขึ้นไปกว่านี้มี้อีกไม่เช่แเท่านี้แนี่เราเรื่องการกาคารว่าแล กิจการประเสริฐของเราต้องทำกายกจการนั้นเอามาทำ功德ไม่เที่องไรไม่เที่ยงเราได้สำเร็จเอามาทำ功德อย่นี้เรากินตะบะกนตะบะมากินก็พยายามเพื่อเพภาวนาเพื่ภาวนาใส่เท้าที่ะ เพื่อมรดกทุกนาเอาไว้เผ t ่ o การได้เหมือน e าพเป็นตาของมนุษย์เพื่อ e รดกของโยมเพื่อภาว e าเพื่อมีชีวิ o แต่ทำความดีสนใจให้อาหารก็ประโน์ให้ชีวิตก็ใ้เกิดคนทำความดีใจคิดหมาต้องทำค คนให้ก็มีคุนคนที่ได้รักเขาม่มีคุณต้องสองข า, างเราทำตามชั่วคนให้ก็ไม่กระดายในสององค์เข้าไปให้โจรตัวร้ายกีนตัวร้ายมันจะข่าคนใส่รักใส่คนใส่ตีตอนนี้เขาให้อาหารให้พระกืนให้พระมาผ่านทางควี ถ้าเกิเ่กับตนต้องไ อ, อคนอื่นไปช่วยคนอื่นเห้าเนี่ยสิทธนี่ไปช่วยสิ้ใช่วยได้ม่ห้านี่สิทธิี่สร้างโลกได้สร้ 5, 90, างโลกได้เมื่อห้านี่ิที่ยายโลกได้เนี่ยก็จะมีรูปทานามรัมเาจะมาทแบบนี้เาจะทาแบบนี้ลูกของเรามีสิทธิ์ทย่างนี้นนนมีสิทธิ์ในกาเอในโลโก multimodente ha più alla fine